นอนนอนน้อยัหมไม่น้อยฮแต่มันก็ง่วงไงถ้าถ้ามดลอยู่คนเดียวตอนอย่จะกลับไปนอน <c oughs> <c oughs> ถ้า่วงขนาดนี้หรือไปทำอะไรอื่นแล้วใช่ เกยมเมื่านนี้ไปนอนจริงไม่หลับ น, นะเขื่อนไหมเคย ม, ม, ามานเคยมาทิ้เมื่อวมากเคยแก้เค็ดมือนกันม่อวามากเลยอ่ะเดี๋ยวไปนอนได้แต่ไม่ใช่ไปนอนหลับนะนอนไม่ช่นอน น, อนิ <c oughs> ่งๆนะมันก็ไม่หับหรน ะ, ะแก้แกแก้ทางมันแก้ทาง แ, แต่แต่ว่าประมาณไม่ได้นะบางคนก็ไปนอนตุ๊กก็หลับตั้บสักทีก็ีนะ <c oughs> แต่เราก็ตั้งใจว่าอ่ามันน่วงแล้มันอยากนอนแล้วอ่านอนแต่ไม่หลับนี่ยก็นอนแต่นนนนดินด้นข้าวไปนอนติ๊กหนิ่งไปนอนแน่นๆพอคลายๆพอจิตมันคล้ายๆมันได้ตามใจนิดนึงเนี่ยนะพอตื่นขึ้นม า, ามก็ไปเดินต่อก็ได้เนี่ยแต่นี่มาใช้เป็นวิธีรองสุดท้ายะ <c oughs> วิธีก่อนหน้านั้นก็ต้องพยายาม สู้นะยายาับเคแรงพยายั ง, ยงออกไปเดินพยยังล้างหน้าล้างตาต่อทำอย่างอื่นไปก่อนนะธรรมดานะบนะทีม่วก็ เ, เปลี่ยนเปลี่ยนท่าทางยกสูงหรือว่าเดินถ้าเดินเดียวจะเดินเร็วก็ได้นะเดินเร็วเดินไกลเท่าไหร่นะทีนะ่จนระิงทนอะยูนะ่ในะ ทีแบบโล่งๆนะก็มองไปไกลมองตัวท้องฟ้ า, ามองต้งบบนไม้อะไรนะคนนี้จะช่วยได้นะจะช่วยได้มันก็ธรรมดานะเนะบางทีจิตจิตคนเราบางทีจะ ก, ก่อนมันมันแสตายมันแสตายคิดนั่นคิดนี่บวิธีกายเราก็เหมือ น, นกันแต่ว่าทำนั่นทนํานี่นะพอมันไปทำ แอะไรติดพอมีเครื่องอยู่หลายอย่างมันก <inaudible> ็เดยไม่ค <Ronaldo> hmm? ่อ่วพอให้ม under ันมาอยู่แค่กับใจอย่างเดียวนะให้มันอยู่แค่ในอย่างเดียวมันก็เลยง่วงได้ใช่ไหมธรรมดานะแต่จริงความง่วงเนี่ยมันใกล้เคียงกับสมาธินะเพราะว่าอะไรมันไม่ค่อยคุ้มซ่าอะไรนพอที่ง่วงเนี่ยไม่ค่อยมีความคิดนะใช่ไหมมันเบลอละมันเบลอมันซึมซมมันนิ่งๆนะ แต่เป็นความนิ่งแบบแบบซึมเกินไปแต่สมาธิมันเป็นนิ่งแต่มันตื่นตัวรู้ตัวนะที่จริงเนี่ยสมม่งเนี่ยไม่เท่าไหร่หอกนะทนไปสักพักหนึ่งสู้ไปสักพักหนึ่งที่ว่ามันเกิดม่วมากๆเดี๋ยวมันตาสว่างเดีวมันหายม่วเป็นแบบนี้ทุกคนรเดียวนะพอเราจมาผ่านมันได้ครั้งสอครั้งเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะม่วอีกนะ แต่เรามีกําลังใจแนละ้วเราเคยผ่านมาันไะด้เราเคยท้ามมันได้แล้วเรารู้แล้วว่าพอข้ามมานันได้จะผลโอ้มันโปรโ ม, มันโ่งสบายนะมันก็ไม่เป็นไรนะธรรมดานะความ่วงมันก็เป็นธรรมดานะแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขเพื่เป็นแบบนันะ้นเราจะไม่มองความม่วงเป็นอุปสรรคแต่เราจะมองความง่วงเป็น เป็นคล้ายสิ่ที่เราเดีเ่ยวนู้อยู่ตรมันก็ข้ามเขาเ้าไปไม่ได้นะธรรมามีความสงสัยได้ไหมปฏิบัติทางไปคิดไปสงสัยมีไหมไม่สงสัยอระธรรมะไม่ธรรมะไม่ใกลเชิดแล้ ว, ว, วอนะ <S <S ฮะให้่เมน่ี่มยเนี่ยจะมาปฏิบัติหมงสงสัยมากนะสงสัยเอ่ทำทำไมทำก็ได้อะไรเอ่อพอเริ่เข้าใจนี่ก็เราจะกลับมาสงสัยตัวเองแล้วเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ย นะวิธีสงสัยหลักการสงสัยวิธีการสงสัยเทคนิคต่อมาก็ามาสงสัยใจเองนะฮะใจเองทำถูกหรือเปล่าใจเองทาผิดหรือเปล่านะใจที่รู้มันถูกหรือเปล่านะมันก็กำลังสงสัยมันก็ไม่เป็นไรนะนะอาจจะมีบ้านนะมาบ้าพักตรีจัดจอดมาบ้านเขาจะจอดมาาแต่เราก็วางไว้ก่อนนะ วิธีการทีแก้ความสงสัยเนี่ยสมมติความสงสัยเ ห, นหนยมนก็สงสัยนคะัวางไม่ต้องไปคิดให้มันรัสงสแล้วาะวางก่อนไิดเป็นไรทับไปก่อนทับเลก่อ น, น, นออนะเนี่ยมันได้คำตอบเองนะแค่นี้เนวิธีการมันง่ายๆแต่ถ้าเราสงสัยจะรู้ให้ได้อันนี้มันคืออะไรบางทีบางทีเราไปสงสัยกับความคิดเอ๊ะทำไมไมันคิดแบบนี้เนาะ มันเราเคยสงสัยไหมทําไมเราถึงฝันเรื่องนี้ไปคิดหาคําตอบของความฝันได้ไหมอัน <c oughs> ไม่ได้คำตอบนะอืทําไมเราถึงคิดฝันแบบนี้พยายามตีความพยายามอะไรต่างๆที่จริงวิธีการง่ายสุดว่าถามไปได้แค่ไหนตอนนี้เราตีความแล้วเะเห็นว่าไปดีกว่าสิ่งที่เราทำถามไปแบบแน่นหนาที่สุดเลยความสงสัยความคิดอะไรต่างๆแล้วก็จะเอาไว้ เป็นทางผ่านมันเราเดินทางนะนะ <POW> ER> เดินทางถ้าเราพอสงสัยว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นเรียกว่าอะไรนี่ความสําคัญอย่างไรรายละเอียดมันมีมากมายแต่จริงเราเดินไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อเอฟเฟคเ้นะมันเอฟเฟคเต้เราก็รู้นะจะเป็นเนี่ยว่ามาที่ไม่รู้รายละเอียดที่จริงปัญญามันไม่ใช่ก็ไปต้องรู้อาการทุกอย่างตามรายละเอียด ไม่เป็นญาไม่ได้เกิดแต่ว่าต้องอธิบายทุกอย่างได้อยเป็นระบบไม่ใช่แต่เป็นยาในการข้ามจากความทุกข์หรือความไม่ทุกข์ไม่ติดไม่ค่อมไม่แวะหรือหรือติดบ้างค่อมบ้างแลบบ้างก็บอกจามันได้ในการเดินทางที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยตัวพิเดตตัวตัวตัณหาเหมือนคล้ายสองข้างทาง ที่เขาพยายามที่จะล่อเรามืนเราเคยเดินไปเหมือนในเวลาเราไปที่ท่องเที่ยวนะโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวดังๆเนาะก่อนจะไปถึงที่ท่องเที่ยวเนี่ยสองข้างทางก็ร้านค้าก็พฟค้าก็แม่ค้าก็ตินค้าเออก่อ <c> น <oughs> จะเดินผ่านไปได้เนี่ยอต้องใช้อะไรใช้คันติบ้างกดทนกดทันนี่ยโดยเฉพามุ่งมั่นที่จะไม่นำทางเขา แต่ถ้าเราร้านนี้ก็อน่าดูด้านนี้ก็ดีเขาชวนไปก็ดูก็ชิมก็ซื้อก็หาก่อนจะไปถึงเนี่ยสายใช้เวลานานใช่ไหมแต่ถ้าต้องมีความมุ่งมั่นนะหมายเราเราจะมาดูตรงนี้ก็ตอบตั้งข้ามเราก็เห็นใช่ไหมไม่ตั้งใจดูก็เห็นอผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนเราจะมีตอบตั้งใจที่จะแวะมา ที่จะดูอาจจะต้องอีกเรื่องแต่ในการปฏิบัติธรรมมันมีท้ายนะกิเลสมันเหมือนกับความคิดความโกรธที่มาล่อให้เราแวะให้เราทักให้เราลืมจุดหมายกแบบไปหาคําตอบไปโจมจุดอารมณ์นะไปให้ชวนกับความคิดอะไรต่างๆในมันแวะมันช่วยให้เราแวะหน้าที่เราเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปก่อนนะแต่เขามาชวนก็ไม่ผิดนะอันนั้นคือหน้าที่ของเขา หน้าที่เขาก็ ข, ขายของก็ธรรมดาอนะแต่หน้าที่ของเขาก็คือเป็นเรื่องของเขาหน้าที่เราคือการเดินทางคือการก้าวข้ามไปเรื่อยๆอันนั้นนี่คือความคิดก็เป็นแบบนี้นะ่ะอือารมณ์ก็เป็นแบบนี้แหละนะก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นความลังคานอะไรนะ่ะเป็นการทด ส, สอบความใจของเราทนดะสอบความมั่นคงของเราทดสอบน ว่าเราจะไม่แวะไม่หลงไปบาทีแวะบ้างหลงบ้างก็กลับมาไหม่กลับมาไหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดเดีดดดด ได้น <c ười> no, ึก like, ถึงสติแ like ล้ม like, like ัก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบนอกรูปแบบกันเวลาไหนอะไรางส่วนเฝัไเนี่ยไม่จริคิงก็เปปฏิบัติไม่จริงก็หมายอีกเลยไม่คน แต่บางคนก็เหมือนรับส่นันแล้ไม่มผิดที่มีถูกก็เหมือนกันนะรเรามือนจว่านรูปแบบเรามักจะคิดถึงสติได้ตอนไหนยังไอะไรอย่างเที่เพื่อเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าเวลาที่เราทาในรูปแบบนะแต่ว่าเรามักจะเลือกเวลานอะยังงอย่างเงเลือกเต็มรูปหรือเลือกขึ้นรูปนแง่อย่างเงี้ยก็โดยทั่วไ ใช่ไหมี่ย่าแยังไงอยงสมัยั้ว่าพรญญาะ้าโน้นนั่งรถใช่ไหมฮะพระเจ้าจ น, นก็ทารูปแบบนะแต่มันก็ทารูปแบบเพีแค่บางทีก็ใช่ไหนั่งขยำขยบไปอย่างเงี้ยอันนี้นก็ถือว่าเป็นในรูปแบบแ่เป็นแบบรูปแบบไม่เป็นรูปนะ <c oughs> อ, อะไรจำลอง น, นี้ยน่ย่างเง้ก็เราองดูว่ามีมีใครราสู่ความมามากขึ้นในในช่วงเวลาที่ไม่ได้เจอกันเลยบา ว่าเราทำอะไรกันอย่างไรนะฮะเราดิบดิ ปกติมีว่ายังไงเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบปกติือช้าแล้วอ่ะแบบตื่นสายแล้วเียเช่นประมาณตีสี่คไเงี้ยค่ะก็กินน้ำร้อนแล้วก็เดินเดินก็ค่อยค่อยจัดการตัวเองไปทำงานกินใช้เวลามากะใช้เวลามากก็จริงจริงจะตั้งนาฬิกาไว้อะคือตั้งนาฬิกาไว้ชั่วโมงนะไ ก็จะมีแบบว่าบางวันที่ขี้เกียจก็จะแบบโอ้ยแบบบแก้เป็นบรการอ่ยก็เลยถึงชั่โมงทีอเงยแล้วปรกฏผับไปสนาทีโอไม่นกัานัตมันก็จะความไม่แน่นอนเยอะบางวันเราก็แบบเฮ้ยาน่นาทีเองหรอบางวันก็จะแบบเอ้ยนาทีก็เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนึงที่ที่น้แะาว่าก็ช่วยอททีก็ใช้เิมในห้อง การจดนขมาน้า่มาพอไปเดินกับระเบียงระเบียงอางเี้แบบเยหแบบอแอรเราก็จะทำให้หน่านไปง่ายขึ้นจะมีอะไรเลยที่แบบช่วยให้ให้การเดินมันไม่ลากมากไยาเง้ยค่แลอย่างืนพอบื่มมากนีมเอ้ยพันืดมากเลยัก็ทนก็นแต่ว่ามันกไม่ได้ อย่างแบบน้องแบบนี้เช่นเวลาทำงานเวลาอะไรที่เราได้ถึงการใช้สติได้ กวนเลยแย่มากถามที่เรืกอบแบบพีชเอดมาก เวลาแปลงฟันเวลาเวลาทันค่าเวลาอะไรนี้ได้ได้โอกาสการฟันแบดกินข้าวเนี่ยจะบบตีไม่ได้รู้สึกตัวแต่บางทีจะใช้ีน้ข้าวเขียวเอาแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างนงี้ย่ก็น้ำหนักหนักนักห่ักหันักหนักหนักนักหนกหหนกันหกััันกหน เพราะเพราบทสนทนาบางทีมีบทสนทนาก็ทำให้เราเหมกับเชื่อมิฮักกันเลเราก็ยากที่จะจอดเลยในรูปแบบเต็กๆไม่ได้หย่อนแบบคือเวลาเดินไป ก็ได้เดินจลงไปก็ปรมานะก็ไม่ค่อยได้ก้าแต่ว่าอาบน้ำแปะฝันจะได้เหมือนกันอาบน้ำแปะปันพอได้นะยืดแตะปันหลายๆครั้งเลย มีประสบะการณ์ปฏิบัติ็นช่นในช่วงเตือนหนึ่งของตัวเองอะไรยังไ ง, งบ้างจริงๆนะครับอย่างบางเคสก็จะใช้ ว่าความคิความเจ็บแค่ใจคําว่ากลับมาได้ไหมเจอไมับถึงนั้กลับมาได้ไหมมันจะเป็นสิ่งที่เหมือนในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนกับมันก็จะมีใจที่มันไปผ่าเรื่อผ่านต่า ง, างๆแล้วนองตัวแล้วเรากลับมาทุกตัวได้ไหมตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่เหนว่าก็เป็นสิ่งที่ยังไงก็ตามเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปสู่ชีวิตประจำวั น, ก, ก, นา ก, การที่เราได้กลับมากลับมา การที่เราได้กลับมาแบบนี้ก็เป็นสิ่งทีก่ก็ได้ปฏิบัติใช่ไหมครับว่าในขณะที่เราได้กลับมารู้สึกตัวก็ดีนะที่มังเขียนมั่งเนใช้คำว่าชั่วช้าสบายหูชัว่วนหนูแล้วก็คือเดียวก็เอามาไม่ต้องเอาไปเล้นแต่ไานใช่ไหมครัอย่างเมื่อกี้คุณป้าคุณป้ากับคุณย่าสองคนที่มาเนี่ยก็บอกว่า อยากจะไปวัดก็ไม่ได้ไปเส้นทีอยากจะไปวัดก็ไม่ได้ไปเส้นทีเลยไม่ได้ปฏิบัติเช่นนี้คือเหมือนว่าเราเราคิดถึงพื้นที่เยอะๆอะเช่นนี้ที่เราจะได้ปฏิบัติจะได้เป็นนานแต่ว่าบางทีประมาณแค่ชั่วช้างสวัสดีชั่วโมงและนี้เอาเลยอย่าอย่าไปอยไปหาเวลาที่มากๆเช่มนี้ตรงนี้มันทาให้เราเหือว่าเราได้เห็นช่องทางที่เราจะได้มีโอกาสกลับมารู้สึกตัวใชนไหมแค่กลับมารู้สึกตัวก็ใช้ได้เลยกลับมารู้สึกตัวก็ใช้ได้เลย ตรงนี้นัีจะเป็นสิ่งที่เหมือนกันมาเราเหมือนกันถ้านะถ้าเกิดว่าเราได้อย่างจะเห็นว่าอย่างช้างขึ้นใช่ไหมล่ะเราได้ทําในรูปแบบยเยนลงแล้วได้ทําในรูปแบบเนีย่ยตันประมาณบางทีเราก็ได้ทันนถึงเล่ารูปแบบในการตัดอย่างที่บอกว่าใ น, นแบบปั่นอาบน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะก็มีดังนั้นเราก็สามารถาัมผัสไช้จะเป็นช่วงทานข้าวช่วงทานข้าวนี่ก็ เห็นจิตเปลี่ยนเยอะนะใช่ไหฮะถ้าเพราะว่าเนื่องจาว่าอาหารเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราให้เห็นจิตเปลี่ยนที่พระเาตบอกว่าไม่ใช่แค่นี้นาดีนะคนก็หัวเปลี่ยนพวกเขาก็เกิดนะอย่างนันก็คือเกิดกในความชอบความชังความดีความไม่ดีเอ๊ะอักอะไรอย่างนี้นมันก็จะเกิดขึ้นกับการกับการทานาเยอะมาะฉนั้นนีคือนี้โอกาสที่เราจะได้เหมือนกับได้ปฏิบัต นะฮะให้ต่อได้เป็นลูกโซ่ก็คือเหอว่า1่งนฮะก็คือกับกิริยบทจะลุกจะนั่งนะฮะเห็นในที่ก็จะโน้มหลบให้ดูเวลาที่ลูกเทียนเกรดนบทจะยิ้มเป็นนั่งใจไสังอย่าให้ช่วงนั้นเป็นช่องว่างของความหลบนะบให้ช่วงนั้นเป็นช่องว่างของความรูสตัวตรงนี้มันก็จะทำให้เราก็จะมีทำได้เหอกลุกน้างกัน อย่างดีนะก็ดีมากๆแล้วก็อย่างในเรื่องหน้าต่างๆการที่เราจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปจะนี้ไปต้งทำงานรนนุ้นคนนี้หรือแต่โอกาสที่เราจะได้กลับมารู้สึกตัวกับจังหก้าวของเราที่มันจะคล้ายกับการตรงกงก็ดีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะช่วยให้เราเนี่ยเหมือนกับได้ได้มีโอกาสปฏิบัติกัน ในวันหนึ่งวันหหลายครั ences, an, NP, Z, inside, ano, ้งได้ทำทุกวันทุกวันทุกวันก็มันทีจะเป็นสิ่งที่คือเรามีโอกาสที่เรืถึงสติพื้นที่ของการขาดสติหรือพื้นที่ของความหลงก็จะลดน้อยลงนะพิจานั้เคืองตรงนี้ก็อยากให้พวกับาได้เหมือนกับได้เพิ่มพื้นที่นะฮะของสติเข้ามาในชีวิตแบบนิดนึงหน่อยนึงก็เอานะอย่าไปอย่าไปดูถูกกันอย่าง เรียกว่าเนื้อโบราณก็จะมีเรื่องแบบว่าเวลาที่มีอะไที人人่เป็นเรื่องชาวบ้านนะฮะในบทเจ็ดคือใจร้ายบางเรื่องแบบว่าดีแม่กต่ลูกไปเก็บเห็ดอย่างนี้ยนะใช่ไ้มฮะแบบว่าลูกก็แบบว่าไม่เห็นเห็ดที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆก็ไม่เก็บแม่เห็นเห็ดที่เป็นใช่ไหมฮะต่ำๆใกล้ๆก็เจ็บเก็บเดียวๆแม่ก็เก็บแต่กล้ามลูกก็ยังไม่ได้เลยอะไรางนั่นนั่นเรื่องคือแบบนี้ เราเก็บแยกผสมน้อยที่เราเล่ที่เรา น, น้อยเพราะว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราไม่ถึงเขาทมืงอไหร่เราก็ไดยเม่อนั้นเราได้ถึงเขาเม่อไหร่ก็ก็คือเร่องถึงคาว่าเรื่องถึงก็คือเงินก็จนะมีสติได้รู้สึกตัวได้กลับมาได้อะไรยังไงก็ตามตรงนี้ก็คือนั่นก็คือเป็นการที่หลับได้เจริญสติผานสิ่งต่างๆที่เราใช่ไหมฮะ ท, ที่เราได้สัมผัสผ่านตาม อานจมูกอ่านลิ้นล่านอะไรต่างตรงนี้นะนนก็อยากเชิญเนาะเนี่ก็